เป็นไงโยเก้าเป็นไงภาวนานะรู้ตัวแค่เนี้ยพอละนะอย่าทำเยอะกว่านะคอยรู้รู้สึกเรื่อยเร่ยรู้สึกไว้นะคุณสันติพาใครมา <c oughs> ดีนะเข้าวัดยังหนุ่มหนุ่ม <c oughs> บางคนแก่แล้วเข้าวัดโอ้ป่วยการ แต่ก็ดีกว่าไม่เข้าเลยอ่ะทำอะไรไม่ค่อยทัน่ะมีงานต้องทำเยอะเหมือนกันการจะปฏิบัติธรรมะเหมือนศาสตร์สาขาหนึ่งต้องเรียนเรียนแล้วกว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจนะเป็นหลักสูตรที่ประหลาดเนะไม่เหมือนวิชาอื่นๆบางคนฟังประโยคหนึ่งก็เข้าใจบางคนฟังยี่สิบเอ็ดปีถึงจะเข้าใจก็มี เ, เสียแชมป์ไปแล้วที่ไหวยี่สิบปี อนนี้มี21ปีเขชนะขึ้นมางั้นหลักสูตรนี้ไม่มีจํากัดเวลาเปียนไปเรื่อยๆบางคนฟังทีหนึ่งก็เข้าใจบางคนหลายครั้งถึงจะเข้าใจบางคนฟังตลอดชีวิตก็ไม่เข้าใจไม่รับรองนะว่าจะรู้เรื่องอะไรทำให้คนบางคนรู้ได้เร็วบางคนได้ช้าถ้าอยากมากอยากมากก็ดิ้นรนมากรู้ไม่ได้หรอก นะที่สองถ้าคิดมากคิดมากก็ฟุ้งซ่านมากรู้ไม่ได้หรอกพวกที่สามพวกมีมานะมากบางคนก็ฉันเก่งละ่ะมานี่มาเล่นๆไม่ได้กะมาฟังอะไรหรือบางคนก็คิดว่าฉันนี่แย่ที่สุดแล้วฉันมันโงส่สุดๆแล้วยังไงฉันก็ไม่รู้เรื่องนะฟังธรรมะที่ไหนก็เริ่มต้นโดยการที่ฉันนี่โง่ฉันไม่เรียนไม่ได้หรอก คอยคิดแต่อย่างเงี้ยนะคอยบั่นทอนตัวเองเลยไม่ได้ชสียทีใจมันฝ่อสรุปง่ายๆเลยก็ตัวแรกเลยตัณหาอยากมากยิ่งอยากมากยิ่งดิ้นรนมากยิ่งดิ้นรนมากยิ่งไม่รู้เรื่องพอเกิดความอยากก็เกิดการกระทำทางใจพอเกิดการกระทำทางใ จ, เ, รรททงใจเจ้าของไม่เห็นนะธรรมดาใจก็ชอบแอบทำงานอยู่แล้ว นี่พอยิ่งอยากปฏิบัติเนะี่ยิ่งทำมากกว่าเก่าอีกเรียกซะโก้เลยเรียกว่าทํากรรมฐานาอยากมากก็ทําไม่ได้คิดมากก็ทําไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้รวมแล้วไม่รู้เรื่องสักอาจารย์นึงเอาสักอาจารย์หนึ่งพอเรียนได้ <c oughs> แ, แต่บุญแต่กรรมเนาะ บางคนเรียนๆพอจะรู้เรื่องนะไปฟังสัรมะมที่อื่นต่อยเอาเป๊กับมาอีกแล้ก็มีของง่ายๆกลายเป็นยากหน้าที่เรานะคอยรู้ทันนะโยรู้ทันการทำงานของใจเราความปรุงแต่งของจิตใจจิตใจเราแอบทำงานเรื่อยๆดูออกไหมหนีแว บ, บไปเนี่ยหนีไปคิด หนีไปปฏิบัติหนีไปสังเกตหนีไปทำงานโน้นทำงานนี้เรื่อยๆเมื่อทีก็หนีไปดูเห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองที่หนีไปฟังนะได้ยินอะไรข้างบ้านคุยกันแหมไปฟังเขารู้เรื่องแต่ลืมตัวเองอยู่เฉยๆก็นั่งคิดไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองอีกเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเอง เรารักตัวเองที่สุดเลยแต่เราทิ้งมันก่อนอย่างอื่นเลยทุกคนรักตัวเองมากที่สุดนะแต่ให้ดูตัวเองกับดูคนอื่นให้ขอดูคนอื่นก่อนรู้สึกไม้มนะอย่าถล่มเข้าไปนะชื่ออะไรหลวงพ่อลืมอีกแลวชื่ออะไรนะทอะที่เจมาวันสันติอย่าไปตั้งใจตั้งใจผิดเลยตั้งใจเป็นโลภะแก้วดีแล้วเนาะให้มันโล่งๆอย่างงั้นแนะ โง่เป็นโง่สิกลัวมันเนาะโง่ที่สุดนะฉลาดที่สุดนะพวกฉลาดมากกินมากโง่ที่สุดเลยหาความทุกข์ใส่ตัวแล้วมองไม่ออกเนี่ยใจหนีไปละรู้สึกไหมมันเสือไปหนีแวบบแวบบแวบแบต่เนี่ยเราให้คอยรู้ไปเรื่อยๆเอาคุณที่นั่งหลบข้างหลังอะ่ะใจลอยรู้จักใจลอยไหม นะเออใจลอยเนี่ยภาษาพระบอกขาดสตนะิคุณสันติหนีไปแล้วนะชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วชื่อเออคุณสาชื่อชื่อยาวๆจำยาก <c oughs> เฮ้บวดมาเลย <c oughs> เฮ้บวดที่ไหนอ๋อสายหลวงพ่อชา ใส่หลวงพ่อชาก็ดีนะหลวงพ่อชานะ่ะดีเอาลูกศิษย์ท่านก็ดีหลายองค์นะไม่ใช่ไม่มีดีดีก็มีไงแล้วเจอกระทิ้งไหม <c oughs> หัดหายใจใหรหัดกำหนดลมหายใจหรือเปล่าหัดหายใจทรรมอนาปนสติก็ได้อะไรก็ได้หายใจไป หายใจแล้วอย่าลืมตัวเองนะหายใจเพื่อให้รู้สึกตัวอย่างตอนเนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม <c oughs> มันไปหลงคิดนะ่ะเห็นไหมเราไปรู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจตัวเอง <c oughs> เอาอาคู่ปรับอามาวันนี้อา <c oughs> จารย์สุรวัตรมาอาจารย์สุรวัตรไม่ใช่คู่ปรับอานะลูกชายเขาใหญ่คุณต่อยจิตหนีไปนะ เคยฝึกไหมไม่เคยฝึกนะ่ะฝึกง่ายนะคนที่ไม่เคยเรียนจะเรียนง่ายเหมือนสมัยพุทธการอะ่ะฟังทำแล้วปิ้งปิ้งเลยเพราะไม่เคยฟังพวกเราฟังแล้วคิดใหญ่เลยแปลกแปกแปกไม่ปิ้งอะ่ะยิ่งคิดมากยิ่งไปไกลแจ์สุรวัติมีหนังสือมาแจกเหรอหนังสือดีนะ เล้อเสืดีเชีวแต่อยส่งลูกศิษย์มานีนี่นะพิมตั้งหมื่นห้าจ๋าเป็นไงจา้ามาจากบูรีลำเหรอเนี่ยเสือไปแล้วรู้ไหมใจเราหนีไปนี้หนีอย่างเงี้ยยังไม่กลับมารู้สึกตัวเลยรู้ไหมตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองนึกออกไหม ตอนเนี้ยรู้แต่เรื่องที่คิดลืมตัวเองอีกละเห็น ไ, ไหมหนีไปอีกละดูออกไหมค่อยๆสังเกตสภาวะไปนะรู <c oughs> ้สึกหลสหลงพ่อชานะต้องรู้สึกตัวให้ได้เนะนี่ยเสียชื่ออาจารย์นะเห็น <c oughs> ไหมหนีไปอีกและ้ะดูออกไหมเ <c oughs> นี่ยหัดรู้สึกเป็นอย่างนี้นะพอเรารู้สึกได้แว บ, บหนึ่งมันจะหนีอีกรู้สึกอีกแว บ, บหนึ่งมันก็หนีไปอีกทําไมมันหนีบ่อยเพราะมันเคยหนี จิตมันเคยหนีจิตมันหลงจิตมันเคยโกรธมันโกรธบ่อยจิตมันเคยโลภมันโลภบ่อยจิตมันเคยหลงมันก็หลงบ่อยมันเคยแต่เราไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกตัวงั้นเรารู้สึกตัวไม่ค่อยบ่อยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะมีแต่คนฝันฝันไปตื่นขึ้นมาแต่ตัวพอตื่นปุ๊บใจหนีไปฝันเลยดูออกไหมฝันกลงวันฝันทั้งวัน ไม่เฉพาะฝันกลางวันนะฝันทั้งวันทั้งคืนนะตอนนอนหลับก็ฝันจริงๆตอนตื่นนั้นก็หลงไปอยู่กับความคิดคิดคิดฝันฝันไปลืมตัวเองนะการปฏิบัติธรรมจะต้องคอยรู้สึกตัวไว้อย่าหลงไปอยู่ในความคิดให้ออกมาอยู่กับความเป็นจริงนะมาคอยรู้ร่างกายมาคอยรู้จิตใจของเราร่างกายจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้เรียนรู้ตรงนี้ มิปั ส, สนาเนี่ยคือการตามรู้กายตามรู้ใ จ, จเรียกว่าเจริญปัญญาก็ได้่อรตามรู้กายรู้ใจของตัวเองเสร็จเราเข้าใจความจริงว่าออร่างกายก็ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เราบังคับไม่ได้จิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้พอรู้ความจริงนี้ใจก็ค่อยๆปล่อยวางถ้าใจปล่อยวางแล้วใจก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงน้อยลง ไม่งนเราจะหาภารามาใส่ตัวเองเยอะแยะเลยอย่างเราอยากหาความสุขแต่ละวันนะ่ะเราก็คิดว่าถ้าไปดูหนังแล้วจะมีความสุขต้องไปดูนะได้เห็นคนนี้แล้วมีความสุขได้ยินเสียงคนนี้ได้ได้ฟังเพลงอย่างนี้แล้วมีความสุขนะหรือได้ทํากรรมฐานแล้วจะมีความสุขกําหนดลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมดูออกหรือยังลองกําหนดลมสิ อลองปฏิบัติเลยอย่างที่เคยทำะนะลองทำดูทำไปไม่ต้องสนใจหลวงพ่อหัดดูของจริงหนีไปแล้วรู้ไหมเผลอแล้วรู้ไหมคุณผู้ชายอะ่ะใจลอยไปแล้วรู้หรือเปล่า <c oughs> ยังไม่เลิกคิดนะดูออกไหมจิตเราไหลไปอยู่กับลมนะชื่ อ, อไหลเนี่ย อะไรนะอู๋ชื่อสั้นๆมีไหมอู๋อเดี๋ยวก็ลืมเนาะนานกว่าจะจาได้เมื่อกี้อูดูออกไหมตอนเรากำหนดลมนี่นะจิตเราไหลไหลไปอยู่ที่ลมนะลองสังเกตใหม่ลองทาใหม่ดูออกไหมจิตเราไปิดเกาะอยู่กับลมนะเป็นอูบายเป็นอูบายเพื่อให้เรารู้ทันจิตนะ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอุบายอ่ะลคยเป็นคุกขังจิตเอาลมหายใจมาล่อไว้แล้วก็ใจก็ไหลลกไปเกาะที่ลมแล้วก็ไปเคลิ้มๆอยู่นั่นไม่ใช่การฝึกให้มีสติเลยฝึกไปเรื่อยๆเคลิ้มไปเรื่อย เ, เดี๋ยวก็ฝันแล้วก็เรียกสโกเลยว่าเกิดนิมิตช่วงหลังๆนักปฏิบัติเราเป็นหลงอยู่ตรงนี้เยอะซึ่งหาสาระอะไรไม่ได้หรอก เรากำหนดลมหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตใจของเราเองหรือเราท่องพุโทโธเพื่อจะรู้ทันใจของเราเองเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่าจิตเราไปอยู่ที่ลมหายใจไปหายใจไปจิตห น, ตนีไปคิดที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดที่อื่นนะหายใจไปหายใจไปมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าจิตใจมีความสุขหายใจไปวันนี้ฟุ้งซ่านจิตไม่สงบเลยรู้ว่าจิตไม่สงบ ฉะ้นเราอาลมหายใจมาเป็นแค่เหยื่อล่อเพื่อเราจะรู้ทันจิตของเราเองการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรู้กายหรือไม่สามารถรู้จิตใจตัวเองเนี่ยพัฒนาไม่ได้ฉะ้เราจะไปนั่งรู้ลมหายใจใจริบหรีริบรีไม่มีอะไรขึ้นมาเป็นคำสอนนอกาศาสนาพุทธมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคาสอนอย่างนั้นทาไปแล้วก็เพลิดเพลินสบายมีความสุขไป มีความสุขจากการหนีโลกหนีข้อเท็จจริงหนีปัญหาหนีอะไรเข้าไปอยู่ข้างในส่วนวิธีการเจริญสติเนี่ยถ้าเราจะหายใจหายใจเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจให้เคลิบหลวงปู่สุวัสดิ์เคยสอนสอนดีมากเลยท่านะนบอกเอาพวกเราต่อไปนี้ปฏิบัตินะนั่งกายตรงๆนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงนำรงสติเฉพาะหน้า หายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมว่าพุทธหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโทจุดสำคัญที่ท่านเน้นก็คือรู้สึกตัวแต่ลงไปถามคนที่ฟังท่านเทศว่าหลวงปู่สอนอะไรเขาจะสะบอกว่าหลวงปู่เมื่อคืนหลวงปู่บอกว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทคำว่ารู้สึกตัวตกหายไป งั้นสาระแก่นสารที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติถูกทิ้งไปแล้วถ้าเราทิ้งความรู้สึกตัวคือทิ้งการปฏิบัติแหละหลวงปู่มั่นสอนเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติงั้นสติสําคัญที่สุดหลวงปู่มั่นสอนต้องมีสติอยู่ในชีวิตจริงๆนี้ จะเดินเดินบินทบาตเดินตรงกลมเดินขึ้นเขาลงห้วยหรือชาวเมืองเนี่ยจะเดินข้ามถนนเดินชอปปิ้งอะไรเนี่ยต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวจะนั่งอยู่ต้องนั่งรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งใจลอยนั่งฝันฝันไปนั่งกรรมาฐานหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องรู้สึกตัว ร, รู้สึกตัวหมายถึงไม่เผลอไม่หลงเช่นหายใจไปหายใจไปเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุข ถ้หายใจแล้วมีความสุขแล้เพลิดเพลินพอใจเคลิบเคลิ้มไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะเวลาเรียนเราเรียนให้ให้เข้าเป้าเลยครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสอนให้เราตื่นเคยได้ยินคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นใช่ไหมต้องมีผู้รู้ผู้ตื่นแต่พวกเรามีแต่ผู้หลับผู้ฝันเข้าใจไหมหลับแล้วฝันเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ยังนั่งฝันต่อรู้สึกไหมไม่มีผู้รู้นะมีแต่ผู้ฝันเนี่ยฝันรู้ไหม นะตื่นไหมงั้นเราเราบอกไม่ได้นะว่าเราลุกสิทธิ์ปัตตาะลุกสิทธิ์ปัตตานะไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นก็เป็นผู้หลับผู้ฝันไปสิไงนะเจียมเป็นไงภาวนาดีอะไรนะอืมดีนะอย่าหลงยาวนะหลงบ่อยๆดี หลงใบบดีเพราะว่าหลงแวบก็รู้แวบก็รู้ในโลกนี้หลงวันละครั้งนะคนส่วนใหญ่พะประตื่นมาก็หลงไปแล้วหลงไปในความคิดจนนอนหลับไปเลยไม่เคยตื่นสักครั้งเลย <นะ S 1> ฝันแล้วรู้หรือเปล่าฝันแล้วตื่นขึ้นมานะถออ้าตื่นได้อย่างนี้ก็ค่อยบอกได้หน่อยว่าลูกศิษย์สายหลงงพ่อาชาเอาแต่เคลิ้มเคลิมไม่ได้นะ ปันแล้วทราบไหมรู้จักใจลอยไหมคุณเสื้อสีชมพูเนี่ยนะใจมันหนีไปที่สิไปดูเขาลืมเกลียกเอาแตนไม่บังคับมันเอ้ะไม่ใช่แตนนี่ชื่ออะไรนะแอน ไ, ไปรู้สึกตัวนะเนี่ยพอเสียงดังใช่ไหมใจเราก็ถูกดึงไปใจเราก็ไปทางไปสนใจเสียง พอรู้ว่าโทรศัพท์ก็หนีไปคิดเรื่องอื่นต่ อ, อ ใ, ใจเราหนีไปเที่ยวทั้งวันคอยรู้ไว้ง่ายโจโจเป็นไงบาเพ็ญบารมีถึงไหนแล้วโจช่วยสรรพสัตว์ได้เยอะยัง อ, <c oughs> อะไรนะ ร, รู้สึกไหมว่าเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเอง นาฬิกาปลุ ก, ลกนาฬิกาปลุกครับทุกห้านาทีแบบสองนาทีนอตสองนาทีแบบมันจะสั่นได้น้อยครับสั่นก็เลยเอามาให้เผื่อจะมีคำแนะนำอะไรว่าควรทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะกราบขออนุญาตเอารูปไปใส่ในกรอบนี้ครับโอ้อย่าเลยโช้บหลวงพ่อทุกอย่างดังมากเกินไปไม่ดีเลยนะ อะไรก็ไม่อันตรายกับพระเท่าดังวแลวโจ้โจ้รีไปไหนป่ะวันนี้อ้าวรู้สึกตัวใจลอยหมดแล้วเนาะ <c oughs> ความรู้สึกตัวไม่ยากอะไรนะตั้งใจเรียนแต่ตอนที่เราไม่รู้สึกตัวจิตแอบไปทำงาน นะตอนเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตเลิกทำงานมันหยุดอย่างเราเผลอเผลอเผลคิดไปเรื่อยๆนะพอเรารู้สึกตัวปับ๊บความคิดก็ขาดไปเลยเพราะอย่าไปอย่าไปไม่ต้องคิดต่อนะรู้ว่าเผลอเนี่ยรู้เรียบร้อยแล้วนะเนี่ปฏิบัติเสร็จแล้ว เพราะงั้นเรารู้ว่าเผลอบ่อยๆเราก็จะรู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยอย่างนี้รู้สึกไหมหลงไปทำงานแล้จิตของเราเนี่ยชอบหลงไปทำงานนะถ้าไม่หลงไปทำกรรมฐานก็หลงไปทำอกูสนอื่นๆเพราะงั้นอย่างเราจงใจหายใจจงใจเดินจงกรมจงใจอะไรก็ยังดีกว่าจิตไหลไปตามอากูสน แต่ถ้าเรามีปัญญาแก่กล้ากว่านั้นเรารู้ว่าความปรุงแต่งสายกุศลก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่จิตจะเลิกปรุงแต่งถอดถอนตัวเองขึ้นมามีพระสูตรันนึงนะโจโจอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 15, ทสิบห้าพระสูตรแรกเลยนะมีเทวดาองค์หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้ยังไงโอคะห่วงน้ำห่วงกิเลส พระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ <Yeah. S 1> ไม่พักกับไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงงเพราะเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียรเยอะๆบอกว่าให้พระองค์ช่วยขยายความนะเทวดาถามให้พระเจ้าพุทธเจ้าขยายความท่านขยายให้บอกเมื่อไร่เราพักเมื่อ น, นั้นเราจะจมลงเมื่อไหรเราเพียรเมื่อ น, นั้นเราจะลอยขึ้น พระสูตรนี้จบลนะ้เทวดาได้พระโสดาะเรายังไม่ได้เนาะเราฟังเหมือนเทวดาแต่ยังไม่ได้คําว่าพักอยู่เนี่หมายถึงเราปล่อยตัวปล่อยใจไหลาตามโลกไป เ, เรียกว่าการสุขันธิกานุยโยกก็ได้ เ, เลื่อนหลงไหลไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะหลงตามโลกไม่ดีก็คอยบังคับใจตัวเองเอาไว้แล้วก็เกิดความเพียร เพียรสร้างสติขึ้นมาเพียรทำศีลขึ้นมาเพียรทำสมาธิเพียรเจริญปัญญานะมุ่งหวังให้เกิดวิมุตต์ความหลุดพ้นมีความเพียรมากมายที่จะกระทำนะอุตส่าห์เดินอุตส่าห์นั่งอุตส่าห์ทำอย่างโ น, น้นอุตส่าห์ทำอย่างนี้นะอุตส่าห์ไปบวชนะอยู่ถึงอะไรนะวังน้ําเขียวนะอยู่ป่าอยู่เขานะะหวังว่าวันหนึ่งเราจะรู้แจ้ง แท้จริงแล้วไม่มีใครทําวิมุตต์ให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นได้จิตเขาหลุดพ้นของเขาเองถ้าวิมุตต์ทำขึ้นได้นะก็เป็นวิมุตต์จำปลอมเป็นก็กลายเป็นพบเป็นชาติเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้นี่วิมุตต์ต้องเกิดเองแต่ว่าต้องมีเหตุให้เกิดนะเหตุที่ทําให้จิตใจเราหลุดพ้นก็คือตัวปัญญา เรามีปัญญาเห็นความจริงว่ารูปนามกายใจไม่ใช่ตัวเราอะไรเนี่ยจิตใจก็ค่อยปล่อยวางความยึดถือในกายในใจก็เข้าถึงความหลุดฝนไม่ใช่ปล่อยวางอย่างอื่นนะต้องปล่อยวางขันห้านะถึงจะวิมุตติอย่างไปทวงเงินเขาไม่ได้ลูกหนี้หนีไปอ่ะช่างมันเถอะอย่างงี้ไม่เรียกวิมุตตินะปล่อยเงินทิ้งอย่างนั้นต้องเห็นลงไปในกายในใจ รู้ความจริงแล้วกายกับใจไม่ใช่ตัวเราจริงหรอกจิตใจก็ค่อยปล่อยวางเกิดวิมุตต์เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงหรือเรียกเจริญปัญญาเนี่ยจะทำให้หลุดพ้นแต่ปัญญาเราทำได้ยังไงปัญญาคิดเอาไม่ใช่ปัญญาวิมุตต์ทำเอาไม่ใช่วิมุตตปัญญาก็ทาเอาขึ้นมาไม่ได้ตามใจชอบไม่ได้ยูยูจะสั่งให้เกิดปัญญาไม่ได้ ปัญญาเกิดจากการที่เราตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองได้เราจะตามรู้กายใจตัวเองได้จิตใจเราต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าสัมมาสมาธิเดี๋ยวค่อยเรียนต่อนะ่ยบอกว่าสัมมาสมาธิก็ทำขึ้นมาไม่ได้จิตต้องมีศีลศีลก็ทำขึ้นมาไม่ได้ต้องมีสติสติก็ทาขึ้นมาไม่ได้ต้องมีอนุสติ นะไม่ใช่อนุสติต้องมีอนุปัสนาะกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาคือทำสติปัฏฐานนั่นแหละสติจะเกิดเมื่อสติเกิดศีลจะเกิดนะสามมาสมาธิจะเกิดปัญญาจะเกิดเกิดไปตามลำดับนะ